ว่างจากความเบื่อน้องน้ำแห่งความเบื่อส่งกลิ่นไม่โสภาบางคนตกลงไปแล้วจอมจมกระทั่งติดเชื้อขึ้นหัวเกิดโรคสมองตันปักใจเชื่อว่าตนปราศจากแขนขาไม่อาจขยับพาตัวพ้นจากหน้องน้ำแต่น้องน้ำแห่งความเบื่อแอง่เดียวกัน บางคนตกลงไปแล้วรีบถอนตัวขึ้นทันทีไม่ทันมีกลิ่นเหม็นเสียเอียนเกาะผิวตัวจึงกลับแห้งและหอมสดชื่นได้ใหม่การขึ้นจากหนองน้ำแห่งความเบื่อทันทีอาจหมายถึงการหาภาระแปลกใหม่ไม่จาเจอาจหมายถึงการตั้งมุมมองใหม่กับภาระเก่า อาจหมายถึงการพลิกเหลี่ยมดีใหม่มาแทนที่เหลี่ยมร้ายเดิมหรืออาจหมายถึงพืชทางใจที่ง่ายดายเช่นเท่าทันว่าเริ่มย่างเท้าก้าวลงสู่หนองน้ำแห่งความเบื่อแล้วไม่ปล่อยตัวให้จมแช่แต่เดินกลับขึ้นบกอันแห้งสะอาดทันใดอยู่กับลมหายใจแห่งชีวิตชีวาตราบนานเท่านาน บนบกอุดมพื้นดินแปลกใหม่ไพศาลว่างจากหนองน้ำแห่งความเบื่อโดยมากเพียงไม่หลงซัดเซหล่นลงกลิ่นหน้าคลื่นเหียนของหนองน้ำแม้โชยมากก็หาได้ทำให้ใครเปียกชุ่มเหมือนคราวยอมจุ่มจมไม่